ก็สำหรับช่วงเช้า ว, วันนี้เป็นเช้าแรกที่เราจะได้เริ่มปฏิบัติร่วมกันคืนนี้เป็นไงนอนหลับสบายดีไหมสบายดีนะท่านนอนตามที่ในแง่เมื่อวานก็จะหลับดียุกคนแต่บางคนอาจจะยังไม่คุ้นแล้วยังติดที่นอนเ ด, มเดิมอยู่เรามานอนตามธรรมชาติจิตใจของเราก็จะตื่นตัวนอนหลับยาก แต่บางคนที่มีสมาธิดีแล้วก็หลับง่ายแล้วค น, นที่แผลเมตตาก็สุขังปฏิพุทธาติตื่นก็เป็นสุขสุขังสุปฏิหลับก็เป็นสุขสำหรับวันนี้สิ่งที่อยากจะนำเสนอก็คือเราจะเอาโครงสร้างของของสีเนี่ยเป็นหลักในการ เ, าเขาเรียกเป็นค่ายของสีละ จารีนีถือว่าเป็นการเข้าค่ายศีราชารีนีผู้ประพฤติศีลและในตัวศีลนี้ก็จะเป็นเรื่องของสติคําว่าศีลกับสตินี่เป็นเป็นเรื่องเดียวกันคนที่มีศีลก็คือคนมีสติคนมีสติก็คือคมีศีลแต่ท่านบอกว่าพระอริยเจ้ามีสติเป็นศีลเพราะศีลนี่มีสองระดับคือศีลโดยสมมุติหรือว่าศีลสังคม มีสินห้าสินแ2ดสีรอย่สินสา0ยังมหายาณก็ศิน300ร้เป็นภิกษุนีก็ศินสามี่สิบถ้าเป็นภิกษุก็ศิน250าถ้าเป็นเถรวาทก็ภิกษุนีศิน311รอยสิภิกษุก็ศินสองี่สิบทั้งหมดนั่นเป็นศินสังคมถ้าเป็นรั้วก็คือเป็นหลักรั้วปักุม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 สัมผัสที่เราสัมผัสทางกายก็เป็นรูปอารมณ์ที่สัมผัสทางจิตก็เป็นรูปเนี่ยรูปเสียงกีโดสัมผัสอารมณ์เนี่ยเป็นรูปเรียกว่ารูปธตนามนัหมายถึงความรู้สึกนึกคิดนะความรู้สึกนึกคิดที่เป็นเวทนาความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงนี้เป็นนามรูปเสียงกิีโดสัมผัสอารมณ์นี่เป็นรูปเรียกว่ารูปนามเพราะนั้นชีวิตหนึ่งเดียวเนี่ย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 เพราะฉะนั้นโดยโดยปรมัตร์เนี่ยจะไม่แยกว่าเป็นนั่นเป็นนี้โดยปรมัตร์ถือว่าเสานี่ก็เป็นรูปโยมที่นั่งอยู่ก็เป็นรูปนาฬิกาเรียกชื่อเดียวทั้งหมดโดยปรมัตร์เนี่ยมันจะมีชื่อเดียวสิ่งที่สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายนีย่มีชื่อเดียวว่ารูปนะฮะจะเป็นรูปเสียงรูปกลิ่นรูปรสรูปสัมผัสนั่นชีวิตหนึ่งเดียวแยกเป็นสองคือจําไว้ว่าได้แก่รูปกับนาม ทีนี้รูปมีกี่อย่างรูปประกอบด้วยอะไรบ้างรูปมีสองอย่างรูปรูปอย่างหยาบรูปอย่างหยาบมีสี่คืออะไรดินน้ำลมไฟเรียกว่าธาตุใช่ไหรูปอย่างหยาบเรียกว่าธาตุสีรูปอย่างหยาบประกอบด้วย4ีดินน้ำลมไฟตัวของเราเนี่ยประกอบด้วยธาตุสีใช่รูปรูปใหญ่เนี่ยประกอบด้วยรูปเล็ก รูปเล็กลงมา4คือดินน้ำลงไฟและรูปเล็กขนาดกลางทั้งสีนี่แยกแยกออกไปอีกเป็น28 28รูปนะยีรูปเช่นรูปผู้หญิงรูปผู้ชายรูปแก่รูปเจ็บรูปปวดรูปอะไรพวกนี้เป็นรูปทั้งนั้นนะรูปชรลารูปหนุ่มรูปสาวรูปเด็กรูปเล็กรูป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 ความรู้สึกที่เป็นเป็นหายใจอย่างเดียวเช่นความรู้สึกสบายม่สบายรู้สึกเฉยเฉเขาเรียกว่าเป็นความคิดออกมาความรู้สึกที่เป็นไปในความคิดหรืออารมณ์เราเรียกว่านามรูปนะเพราะว่านามมีสองอย่างคือรูปนามกับนามรูปแต่รูปมี28อย่างคือรูปหยาบกับรูปละเอียดรูปหยาบเราเรียกมหาภูตรูปรูปละเอียดเรียกว่าอุปทยรูปนะ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 นามในส่วนละเอียดเรียกว่ารูปนามนามในส่วนละเอียดเรียกว่านามรูปนะอย่างสมมุติว่าเราคิดถึงบ้านเนี่ยเป็นรูปนามหรือนามรูปเป็นนามรูปเพราะคิดถึงบ้านบับบ้านปรากฏในใจเป็นรูปของบ้านใช่ไหมรูปของบ้านปรากฏละแต่ในขณะนี้เรานั่งเราปวดขานี่เป็นรูปนามหรือนามรูปเป็นรูปนามเพราะมันปรากฏที่รูปตรงนี้ ไหมแต่เราคิดถึงพ่อถึงแม่ถึงพี่ถึงน้องคิดถึงลูกรูปของรูปรูปของนั้นมาปรากฏเป็นภาพในใจเขาเรียกว่านามารูปในขณะนี้เรานั่งปวดแข้งปวดขาเจ็บพันสบายไม่สบายเป็นรูปนามเพราะมันรู้สึกได้กับรูปตัวนี้นะดังนั้นการเรียนรู้การเจริญสติก็เรียนรู้ไปจากรูปนี้ก่อนเรียนรู้ไปจากรูปนี้ก่อนว่ารูป ที่เป็นรูปนามเนี่ยให้เรียนรู้อันดับแรกคือเรียนรู้รูปนามก่อนว่ารูปนามเป็นยังไงขณะ น, น, นี้สบายหรือไม่สบายคือเรียนรู้สัมผัสเข้าไปจากของจริงเลยในการปฏิบัติพิปัสนานะรูปนามที่ปรากฏขณะ น, น, นี้มันมีอะไรบ้างนะมีเย็นไหมมีร้อนมีไหมมีบางคนก็ร้อนอ่อนมีไหมอ่อนว่าร่างกายเลือเ่อนไว้ แข็งมีไหมแข็งบางครั้งเรานั่งได้เพราะความเข้มแข็งเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงเคลื่อนไหวเจ็บปวดเหล่านี้เป็นอาการของรูปอาการของรูปที่มันทำหน้าที่ตรงนี้เขาเรียกว่ารูปทำนะรูปทำรูปมันทำงานรูปทำงานอย่างไรรูปทำงานสามอย่างคือหนึ่งเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่รู้อะนั่งอยู่เฉยๆสักชั่วโมงนี่ยไหวไหมโดยที่ไม่เปลี่ยนไม่ไหวนะถ้าไม่เปลี่ยนเป็นอะไรเป็นทุกข์ถ้าไม่เปลี่ย น, น, น, ก, ยนก็เป็นทุกขนะ์เวลามันทุกข์ขึ้นมาเราบังคับบัญชาให้หายได้ดังใจได้ไหมมันเป็นอะไรเป็นอนัตต า, าไม่มีตัวที่ให้บังคับแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อ ย, เยๆเห็นไหม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 มันย่อยมันเปลี่ยนแปลงย่อยสลายเป็นธาตุอาหารธาตุอาหารที่เปลี่ยนย่อยสลายแล้วเหลือกากทิ้งออกมาเปลี่ยนทิ้งออกไปอันนี้มันทำงานตามธรรมชาติแต่ว่าไหนเรากินอะไรเข้าไปแล้วมันไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนแปลงเป็นเป็นก้อนเป็นแท่งอยู่อย่างนั้นเป็นยังไงมีปัญหาแล้วใช่ไหมอาหารไม่ย่อยนอกจากไม่ย่อยแล้วถ่ายไม่ออกอีก S <S <an throp ic> นนะการไม่เปลี่ยนแปลงทำให้เดือดร้อนการเปลี่ยนแปลงชนิดนี้ดีนะมีทางทางรูปนะหรือหายใจเข้าไปแล้วหายใจเข้าแล้ ว, ลวมันกลับไม่ค่อยเข้าจมูกมันตันจมูกมันแน่นมันไม่ค่อยเข้าหายใจเข้าแล้วหายใจไม่ขอด อ, อีกก็ชักยุงแล้วนี่นการเปลี่ยนแปลงทำให้ชีวิตอยู่แต่ว่าผลของการเปลี่ยนแปลงเลือดลมเดินตลอดเวลา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 ไม่เคยถึงว่ามันได้ทุกทุกวันวนึงเพราะสังสมความเคยชินเรื่อยๆทุก็เกิดทุกวันว่าเราสังสมเหตุของมันเหตของทุกก็คือความหลงลืมความาเคยชินเรียกโมหะนะแต่ถ้าเรามาที่นี่เราฝึกว่าก่อนที่จะเปลี่ยนเนี่ยนึกเออความเปลี่ยนแปลงนี่ถ้าเราให้เราเจ็บปวดนะความเจ็บปวดนีนเนนะ่เป็นทุกนะเป็นทุกนี่มันไม่มีตัวที่จะเอาออกได้เท่านั้นต้องช่วยมันนะ แล้วก็เอาสติปัญญาเข้าไปช่วยเปลี่ยนทีล น, นิดอย่างรู้สึกตัวแล้วก็เห็นด้วยว่าความเจ็บปวดปัญหาไปได้อย่างไรแล้วนั่งท่าใหม่ความเจ็บปวดก็เริ่มขึ้นมาอีกแล้วก็พิจารณาเป็นนิจังทุกขังตนตาอย่างนี้เรื่อยไปนี้เรียกว่าการเจริญสติวิปัสนาปัญญาก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆคนไหนกำหนดได้มากได้บ่อยปัญญาก็มากขึ้นเรื่อยๆคนไหนกำหนดได้น้อยปัญญาก็น้อยหน่อยการรู้ธรรมก็ช้า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 อย่างที่เราต้องการนี้เราบังคับมันไม่ได้มันจึงไม่มีตัวเรียวกว่าเป็นอนัตตาจะเป็นอยู่อย่างนี้ถ้าคนไหนพิจารณาทุกครั้งในการทำอะไรพิจารณายี้ทุกครั้งปัญญาวิปัสนาปัญญาก็เกิดขึ้นเรื่อยเจนกระทั่งไปถึงจุดใดจุดหนึ่งที่เหมาะสมปับ๊บมันก็จะเห็นตัวเองชัดเจนขึ้นเห็นตัวเองมีสองอย่างหนึ่งเห็นตัวเองเป็นสมมติ2เห็นตัวเองเป็นปรมัด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 เพราะนั้นถ้าเราเห็นแบบสมมุติแล้วทุกมันจะเกิดอะไรมากระทบกระแทกในทางที่ไม่ถูกทางนี้ไม่ได้เราจะยึดท่านฉะนั้นท่านก็เลยให้มาปฏิบัติก็ให้เกิดปัญญาเท่าทันสมมุติเมื่อเกิดปัญญาเราทันสมมุติให้รู้ตัวเองเป็นปรมัตเสียทุกมันจะได้ไม่เกิดถ้ารู้ตัวเองเป็นปรมัตรู้ว่าอย่างไรรู้ว่าตัวนี้ตัวที่เรานั่งอยู่นี้ เป็นอะไรเป็นรูปเป็นนามรูปประกอบด้วยอะไรบ้างธาตุสใช่ไหมธาตุสีนี่มีธาตุที่ย่อยเข้าไปอีกยีบี่เป็นธาตุยี่ปดใช่นามก็ได้แก่ตัวขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารมี ญ, ญาณมีตัวเราอยู่ตรงไหนบ้างมีพระมีเนนมีเถนมีชีมีผู้หญิงผู้ชายไหม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 แต่ถ้าสมมุติว่ า, าคนเราเนี่ยตายไปแล้วเขามาจับหูเราแล้วเราโกรธเป็นไหมคนนั้นไอ้ส่วนที่มันโกรธนี่รูปโกรธหรือนามโกรธอ้าวลูกมันตายแล้วยังไม่เราบริจับมันยังไม่โกรธเลยลูกมันโกรธเป็นไหมอ้าวผู้ที่โกรธเป็นได้แก่ใครได้แก่นามนะได้แก่นามแต่นามที่จะทําหน้าที่โกรธเป็นนั้นเพราะนามนั้นไปสําคัญมันหมายว่าร่างกายนี้เป็นของเรา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 แต่พอไปหาหมอหมอขอดูหูหน่อยไปไงหูเนี่ยเราก็ดีใจาหูเราถูกจับเราก็พอใจใช่หมเห็นหมจับหูเหมือนกันอีกคนหนึ่งจับแล้วไม่พอใจแต่อีกคนหนึ่งจับพอใจอ่าเห็นไหมเพราะนั้นการปฏิบัติถูกต้องตามสมมุตินี่เราเรียกว่าศีลและธรรมนะแต่าการถูกจับถูกต้องโดยที่ เ, เราไม่เกิดความรู้สึกใดใพอใจก็ไม่มีไม่พอใจอใ จ, จะถูกจับเฉย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 ถ้าตามองเห็นแต่มันไม่ทำหน้าที่เขาเรียกว่าสัตวแต่ว่าเห็นแต่ถ้ามันทำหน้าที่เรียกว่าจักขูวิญญาณมันเห็นมันรู้จักไอตัวรู้จักว่าอะไรเป็นอะไรเขาเรียกว่าจักขูวิญญาณวิญญาณเกิดได้ใช่ไหมหูได้ยินได้ยินเสียงว่าเสียงเสียงนี้หมายความว่ายังไงไอการรู้ความหมายของเสียงนี้เรียกว่าอะไรเรียกว่าโสตวิญญาณใช่ไหมว่าเสียงนกเสียงกาเสียงคนเสียง พูดเสียงร้องไห้เสียงหัวเราะเสียงธรรมะเรารู้เราแยกออกไอตัวที่รู้แยกออกว่าเป็นเสียงอะไรนี่เราเรียกว่าโสตวิญญาณ่าโะโสตวิญญแล้ว a u i o vision ใช่มโสตวิญญาณ a u d i c o n s c o u s n แล้วก็น้าจมูกเวลากลิ่นโชยมาเรารู้ว่าไอ้ น, นี่มันกลิ่นปะลาร้าหรือกลิ่นเหม็นกลิ่นเน่าหรือกลิ่นหอมเนี่ยมันแยกออก ลักษณะที่มันแ ย, ยกกลิ่นออกได้แล้ว ร, รู้จักเห็นภาพเนี่ยเราเรียกว่าอะไรเรียกว่าคานาะวิญญาณไม่ใช่นาสิกนะภาษาวิญญาณเรียกว่าคานะคานะคือจมูก น, ะนาสิกก็คือจมูกคานะคานะคือในส่วนที่ประสาทสัมผัสแต่ตัวจมูกเร w w ียกนาสิกนะแต่ประสาทสัมผัสอย่่นเรียกคานะทีนี้เวลาไปทานข้าว ลิ้นมันแยกออกว่านี้เป็นรสเปรี้ยวรสหวานรสมันรสเคม็มอันนี้เป็นรสผลไม้อันนเป็นรสเนื้อรสปลาอนี่รสแกงอันนี้รสขมรสมันอันนี้ลิ้นมันแยกออกหมดมเราเรียกว่าอะไรเรียกว่าชิวหาวิญญาณใช่ไหมเรียกว่าชิวหาวิญญาณคือการรับรู้ทางทางรสทีนี้เวลานั่งตรงนี้เราเจ็บก็รู้เราปวดก็รู้เราเย็นก็รู้ร้อนก็รู้ลักษณะนี้เรียกว่า การรับรู้ทางกายเรียกว่ากายยะวิญญาณใช่ไหมกายยะวิญญาณ body conscious นะกายยวิญญาณแล้วเราอยู่ขณะ น, นี้เราคิดตามสิ่งที่จะมาพูดก็ดีเราคิดตามเสียงที่ได้ยินก็ดีเราคิดตามรูปที่ได้เห็นก็ดีเราคิดตามสัมผัสที่รู้ก็ดีมันคิดปรุงแต่งขึ้นมาได้รับรู้ได้เราเรียกว่าอะไรเรียกว่า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 เกิด อ, อะไรขึ้นการนึกภาพออกเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นฉากเป็นฉากนี้เรียกว่ารูปนะเพราะฉะนั้นเราเรียกโครงสร้างของจิตว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในเวลาเรียงในฝ่ายปริยัติเราจะเรียงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ในภาคปฏิบัติภาคของจริงแล้วมันจะเรียงขึ้นมากลับกันเป็นวิญญาณสังขารสัญญาเวทนาแล้วก็รูปแต่เรียงไปตามหลักทฤษฎีก็รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่เรียงตามความเป็นจริงแล้ว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 ไม่จบเราจะทำงานสำเร็จไหมไม่สำเร็จเพราะนั้นการที่เราตั้งใจทำอะไรนั้นนั่นแหละสมาธิมันมีอยู่แล้วไม่ต้องไปทำมันอีกเราก็มาทำวิปัสสนาคนที่มามีสมาธิดีมาสมาธิมากก็เรียนเก่ง <c oughs> คนที่มีสมาธิน้อยหน่อยก็เรียนไม่เก่งนะคนที่มาสม า, สมาธิปานกลาง ก, ก็เรียนปานกลาง น, น, นั่นเราก็จะรู้ตัวเราเองว่าเรามีสมาธิมากน้อยแค่ไหนวั น, วนๆเราทาอะไรได้ดี สมาธิดีก็ทําอะไรได้ดีถ้าสมาธิไม่ดีก็ทําอะไรได้ไม่ดีนะนั่นเรามีอยู่แล้วสมาธิสมาธิแปลว่าความตั้งใจตั้งใจทําอะไรตั้งใจเวลาฟังเหมือนกันคนไหนฟังแล้วเข้าใจดีเห็นชัดแจ่มแจ้งคนนั้นก็สมาธิดีบางคนฟังไว้แล้วจำอะไรไม่ได้เลยก็สมาธิไม่ดีเนะี่ยมันมีอยู่แล้วแล้วก็ตัววิปัสสนาเริ่มต้นอย่างไรเริ่มต้นอย่างที่บอกมาเเบื้องต้นเมื่อกี้ว่าเรารู้สึกปวดนี่มันเป็นอะไร ถามตัวเองเลยเป็นทุกข์ใช่ไหมทำไมจึงเป็นทุกข์เพราะมันมีการอะไรมีการเปลี่ยนแปลงเรียก ว, ว่าอ น, นิจจังใช่ไหมได้ความเปลี่ยนแปลงอันนี้มันมีตัวตนไหมไม่มีมเขาเรียก ว, ว่าอนัตานาตานะตาเพราะฉะนั้นในส่วนที่เป็นรูปเนี่ยต้องอยู่ภายใต้ธรรมอย่างเดียวคืออ น, นิจจังทุก ข, ขังอนัตตาหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยธรรมชาติโดยกําเนิดต้องไปไปตามกฎของนี้อนิจจังทุกขขังอนัตตาแล้วก็เปลี่ยนมาเรื่อยไป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 โรคอย่างนี้หมอก็ยูยารักษาไม่ได้เพราะมันเกิดตลอดเวลาอ่ามันมากับดินมากับรูปถ้ามีรูปก็ต้องมีโรคเนี่ยก็โรคประจําสังขารนะไม่ใช่โรคประจําตัวถ้าโรคประจําตัวอาจจะเป็นโรคตับโรคปอดโรคเบาหวานโรคไตโรคฟันโรคลิซ่ดวงโรคเก้าโรคอะไรไปที่มันเกิดอันนั้นเขาเรียกโรคที่เกิดมาทีหลังแต่โรคที่มันเกิดมาก่อน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 โมหะหรือสัญชาตญาณแม้แต่สุนัขมันก็เปลี่ยนแปลงเป็นใช่ไหมเวลามันนอนนานๆมก็ลุกหนีเหมือนกันเพราะมันก็ปวดเหมือนกันเวลามันนั่งทำอะไรนานๆมันก็ปวดมันก็ลุกหนีมันก็บําบัดทของมันเป็นแม้แต่สุนัขไม่ได้สัตว์สัตว์มันก็อยู่เฉยไม่ได้มันอยู่นานๆมัก็นิ่งไม่ได้มันก็ปุ๊ทุ่มกันไอการบําบัดโดยธรรมชาติงั้นเรียกว่าสัญชาตญาณคนก็ก็ก็เป็นสัตว์ก็เป็นไม่ต่างกัน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 ปัญญายาัญนะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนสัญชาติยานให้เป็นปัญญายาัญโดยใช้การกําหนดรู้ว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังนาตานะเข้าไปเป็นตัวกลางแต่ว่าเราไม่ต้องนึกทีละตัวก็ได้ไม่ต้องนึกว่ามันเป็นอนิจจังนะทุกขังนะไม่ต้องนึกก็ได้นึกว่ากําหนดรู้กําหนดรู้อ๋ออันนี้มันเป็นทุกกําหนดรู้ทนได้ไหมทนไม่ได้ก็ก็เปลี่ยนถ้าทานได้ก็ดูไปเรื่อยๆแต่สําหรับคนที่ปฏิบัตินานๆแล้วก็จะฝึกทนนะ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 รูปแบ่งเป็นขียางแบ่งเป็น2อย่างคือรูปบยาเรียกว่าธาตุสรูปละเอียดเรียกว่าธาตุอาศัยธาตุทั้งธาตุหยาบทั้งละเอียดบวกกันเข้าเป็นยี่สธาตุสดินน้ําลมไฟธาตุอาศัยคือรูปของผู้หญิงรูปของผู้ชายรูปหนักรูปเบารูปสบายรูปไม่สบายก็เป็นรูปเหมือนกันเป็น24รูปแล้วก็ในส่วนน้ำล่ะรูปเป็น28น้ํามีเท่าไหร่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 เป็นได้ทั้งรูปทั้งนามแต่สัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นนามอย่างเดียวอพอเวทนาเนี่ยเวลากายไม่สบายเมื่อก็ไปทุกขเวทนาเป็นรูปนามเวลาใจไม่สบายแล้วก็ว่าเป็นโสมนัสใจไม่สบาโทมนัสเวทนาแล้วก็เรียกว่านามเหมือนกันเรียกว่านามเวทนาัจ น, นก็เป็นนามเหมือนกันเวทนาจึงเป็นได้ทั้งนามทั้งรูปนัน่นนี้คือในส่วนที่เราเรียนรู้และ การที่รูปกับนามทําหน้าที่อย่างนี้เรียกว่ารูปทํานามทำและมันทํางานอย่างไรรูปทํางานอย่างไรทํางานตามหลักของอนิจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันทํางานอย่านตลอดเมื่ออนิจังทุกขังอนัตตาทํางานแล้วถ้าเรามีสติเข้าไปกําหนดรู้อานิจังทุกขังอนัตตก็เปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนเป็นปัญญาถ้าไม่มีสติเข้าไปกําหนดรู้อานิจังทุกขังอนัตตก็เปลี่ยนเป็นอะไร เ ป, เป็นโมหะและความหลงเป็นความโง่เขลาใช่ไหมโง่เขลาไปเรื่อยๆนะมันก็จะทําให้เราหลงตัวเองไปเรื่อยๆลืมตัวเองไปเรื่อยๆเพราะเราไม่เข้าไปกําหนดรูปนามรูปธรรมนามธรรมด้วยสติมันก็กลายเป็นความหลงแต่ถ้ามีสติมีปัญญามีสติสมัมมาญไปกําหนดรู้ ก, ก็กลายเป็นปัญญาไปเรื่อยจึงเรียกว่าวิปัสนาญาณคนไหนเกิดวิปัสนาญาณแล้วคนนั้นก็จะเห็นรูปนามนี้ แยกออกเป็นสมมติกับเป็นประมัติในส่วนไหนเป็นสมมติคือเราไปใส่ชื่อให้มันนะมันมีชื่อเยอะแยะเลยสมมติสมสมติแปลว่าอะไรสมมติแปลว่าข้อตกลงอ่าข้อตกลงกันว่าเรียกอย่างนี้นะไอตัวที่เป็นอันอนนี่นะรูปอันนี้นะเราเรียกว่าอะไรอ่าเรียกว่ามือใช่ไหมแล้ในมือเป็น5้ากิ่งแต่และกิ่งเราเรียกว่า นิ้วอย่างเงี้ยและแต่ละนิ้วก็มีชื่อของมันมอีกกิ่งเล็กๆนี่ว่านิ้วอะไรกิ่งใหญ่นี่เขาเรียกว่านิ้โปมีสมมุติไปเรื่อยๆแต่ในนิ้วโป้นิ้ประกอบด้วยอะไรประกอบด้วยเล็บอีกมีชื่อของมันมอีกประกอบด้วยหนังประกอบด้วยเนื้อประกอบด้วยดูประกอบด้วยเลือดเห็นไหมส่วนประกอบอีกเยอะแยะเลยนี่เขาเรียกว่าสมมุติมันมีส่วนประกอบแยกออกไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดแล้วเราก็มาสื่อความหมายกัน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 บาบ้างบุญบ้างสบายบ้างไม่สบายบ้างสลับกันอย่งเงี้ยในแต่ละวันชีวิตก็ไม่แน่นอนใช่ไหมเปลี่ยนแปลงขึ้นขลงลร่มลุกคุ่คานดีๆช่วยชั่วสุขทุกทุกเป็นอยู่อย่างนั้นอ่ะมันก็ทําให้เราไม่สบายดังนั้นเรามาเรียนวิปัสสนานี้เพื่ออะไรเพื่อให้ยกจิตขึ้นมาอีกระดับหนึ่งให้มารู้จักปรมัตดเพื่อที่จะได้รู้จักตัวสมมุติแล้วปล่อยวางสมมุติแล้วมาเข้าใจปรามัตดเราก็ยังใช้สมมุติอยู่แต่ว่าเราไม่เอา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 แต่ถ้าขณะที่เราทําหน้าที่เคี้ยวแล้วไปเผลอคิดว่าอร่อยเมื่ออร่อยทุกเกิดแล้วใช่ไหมบางคำมันก็อร่อยบางคํามันก็ไม่อร่อยบางคําคํำไหน อ, อร่อยเราก็พอใจบางคําไม่อร่อยเราก็ไม่พอใจทุกก็เกิดขึ้นเรื่อยๆเพราะเราไปติดตรงนั้นเป็นอวิชชาฐา i, นนาวทานเกิดขึ้นตรงนั้นถ้าเพียงเพียงกำหนดรู้มีหน้าคี๋เคี้ยวเคี้ยวกี่ครั้งคืนกี่หนรู้หน้าที่ก็คืนเข้าไปอร่อยไม่อร่อยเป็นเรื่องของมันเราทําหน้าที่ได้แค่นั้นเราก็ไม่ทุกข์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 รู้เกี่ยวกับการเจริญสติในการรักษาที่พูดมาในสี่ข้อไหนสี่ข้อที่หนึ่งคือรู้จักรักษาชีวิตไม่ทุกนะสี่ข้อที่1เราจะว่าศี่วันละข้อเพราะนั้นต้องอยู่ครบ8วันนะใช่ไหมแปข้อดีเอาวันละข้อนะวันนี้การรักษาชีวิตเพื่อที่เราจะได้มีอะไรหลากหลายยิ่งขึ้นนะก็ขออนุมโมทนาสาธุในความตั้งใจศึกษาชีวิต